69. ทฤษฎีบุญนิยมแก้ไขทุนนิยมได้สำเร็จจริงแท้การแก้ที่อาศัยที่เป็นอยู่เจตนาความมุ่งหมายทุกกรรมที่ตนอาศัยสังบปะวาจากรรมันตะอาชีวะในมรรคอย่างสัมมาทิฏฐิด้วยโพธิปักขียธรรม37 ก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยแล้วจึงจะก้าวไปถึงการเปลี่ยนวิสัยได้ซึ่งทุกการประพฤติปฏิบัติตนเราก็ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นเป็นบุญนั่นคือการทำใจในใจมนาสิกานของตนถึงขั้นโยนิโสมนาสิการการทำใจในใจที่ท่องแท้ ชําระกิเลสลงได้ให้จิตใจของเราได้รับการชําระกิเลสจากยิตสันดาลสันตานางปุนาติบุญของเราก็เป็นผลคือชําระกิเลสเป็นผลทฤษฎีที่สามารถชําระกิเลสจากสันดานได้จริงนี้จึงชื่อว่าบุญนิยม บุญนิยมที่สัมมาทิฐิสามารถแก้ไขทุนนิยมได้สำเร็จแน่ๆถ้าเข้าใจพุทธธรรมสัมมาทิฐิได้จริงทุนนิยมแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญนิยมตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่แหละได้แน่นอนเด็ดขาดบุญนิยมจะสามารถเปลี่ยนพลังงานของกิจนิยาม ในตนเองที่เรียกกันเป็นภาษาว่าอนุสัยก็ดีอาศัยก็ดีนิสัยก็ดีวิสัยก็ดีที่คนเรียนรู้ได้ทุกคนและปรับปรุงแก้ไขทางอนุสัยอาศัยนิสัยวิสัยให้เจริญสูงสุดได้ด้วยความรู้ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาประกาศให้มนุษย์รู้ตามเรียนตามปฏิบัติตามบรรลุได้จริงๆตามแม้ทุกวันนี้สังคมเข้าข่ายกรียุกแล้วแต่ก็ยังมีสัมมาทิฏฐิที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุได้ตามอย่างสามารถพิสูจน์ได้เป็นอากาลิโก ค้นคว้าตามหาดีๆเิดอย่าช้ากันอยู่เลยแล้วคุณจะได้จริงๆ